สาธุชนผู้เจริญในธรรมในลำดับต่อไปนี้เป็นบทพระพุทธมนต์พุทธชัยมงคลคถาหรือบทพาหุงก่อนสวดพึงตั้งใจให้สงบและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัย อรหังสัมมาสัมพุทธพะกวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบสวัสดโตพระควาตาธรมโมธรรมังนัมสัมมิ สุปติปันโนบากะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิ